อา้าวฟังนะทีนีนะคณะจทธายาโยมลูกหลานวันนี้นับว่าเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งหลวงพ่อเองก็ไม่เคยเห็นแต่ทหารตำรวจนะเออกล่าวคำปฏิ ญ, ญาณตนแต่คราวนี้มาเห็นคณะแพทย์คณะหมอคณะลูกหลานในโรงพยาบาลกล่าวคำปฏิ ญ, ญาณตน ่ว่าจะเป็นคนดีที่หลวงพ่อได้ฟังดูแล้วก็ซึ้งใจกับคณะสัทายาญาณโยมคณะลูกหลานผู้ที่จะทํางานในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลคําว่าโรงพยาบาลคํานี้ก็เหมือนกับอู่ซ่อมอู่ซ่อมรถถ้าอยู่ข้างนอกก็อู่ซ่อมรถอันนี้เป็นอู่ซ่อมซ่อมสุขภาพรถทุกคันมีโอกาสที่จะ ซ่อมต้องได้เข้าอู่ซ่อมคนทุกคนก็เช่นนั้นเหมือนกันถ้าหากว่าไม่ปุปับถ้าหากว่าตายปรับอันนั้นมีน้อยแต่เข้ามาโรงซ่อมนี่มากเพราะนั้นโรงซ่อมของโรงพยาบาลอย่างที่ได้กล่าวที่คณะแพทย์หรือคณะพยาบาลหรือคณะกลุ่ม ได้กล่าวปฏิญาณตนหลวงพ่อได้เห็นหลวงพ่อได้ยินแล้วก็ซึ้งในใจและก็พร้อมกันก็มีการแจกเสื้ อ, เ, อ, อเสื้อจิตอาสาธนาคารความดีโรงพยาบาลอุดรธานีเสื้อกับใจดีมีคำตอบพร้อมช่วยเหลืออันนี้หลงเมื่อไม่นานมานี้หลวงพ่อก็ไปที่ วัดต่างๆที่มีคณะสัทยาญาติโยมมาเกี่ยวกับวัดเก่าหลวงพ่อก็เองพูดลิกเกี่ยวกับว่าหลวงพ่อได้เกี่ยวกับได้มาช่วยทางโรงพยาบาลเ ร, เรื่องตึกหนีไฟแล้วก็พร้อมกันก็ได้สร้างสำหรับที่พักของคนไม่เยี่ยมไข่ในโรงพยาบาลศูนย์อุดร จังหวัดโรงพยาบาลอุรานธารีและพระ้อมการหลวงพ่อก็ได้บอกกับคณะสัทยาญาติโยมบอกว่ า, าพวกเราคณะัทยาญาติโยมในชนบทถ้าหากว่าได้เข้าโรงพยาบาลถ้าเห็นเสื้อกัดสีสมพูก็ให้ไปจับแขนถามเลยว่ า, าีิฉันม า, มาที่นี่มีความจำเป็นอย่างงดอย่างนี้จะให้ทำยังไงจะให้ติดต่อกับใคร อย่างเนนะ้น่ะเน้นนะพยาบาลแล้ ว, ว่าคนที่ใส่เสื้อกัก น, นะจะให้คำตอบเราหนะลวงพ่อก็ได้บอกนะเพราะนั้นถ้าหากว่าหลวงพ่อถ้าหาว่าพวกญาติโกติโหรติกาของหลวงพ่อนะออมาจากชนบนบดพอมาจาับมาถามทางพวกเรานะพวกเราไม่ให้คำตอบนะเดี๋ยวก็จะไปว่าให้หลวงพ่อเหมือนกันโห้หลวงพ่อ หนูเลยฉันไปถามแล้วแพาบาลไม่ได้ให้คําตอบฉันเลยกันจว่านะเดอ๋ยวพอดันขอให้พวกเรา mm hmm. ทุกๆท่านนะหลวงพ่อบอกวัฒล้วนะัประกาแล้วทางทางอําเภอนามโสมนายูงบ้านผือแถบๆนะะั้นแหะหลวงพ่อไปนะัดสถ า, านที่ใดหลวงพ่อถ้าพูดเกี่ยวกับโรงพยาบาลแนะล้วหลวงพ่อก็จะได้หลวงพ่อก็ได้พูดให้กับพี่น้องชาวบ้านลูกหลานตลอดถึง วันที่ท่านผ อ, อ, อกับคณะเข้าไปหาหลวงพ่อเมื่อวัดไม่นานมานี้หลวงพ่อก็ได้ไปพระสงฆ์เข้ามาหลายกลุ่มนะและกับพระสงฆ์เข้าไปคารวะหลวงพ่อบางทีก็เป็นร้อยสองร้อยองค์หลวงพ่อก็ได้บอกว่าคณะสงฆ์น้องนุ่งทางหลายหลวงพ่อเองก็ได้พูดกับท่านผ อ, อว่าถ้าหากว่าเป็นไปได้อยากจะให้มีกลุ่มแพทย์หรือกลุ่ม พยาบาลชักกลุ่มหนึ่งเมื่อเห็นพระสงฆ์เข้ามาแล้วก็จัดเป็นจดฐานที่แล้วก็ให้ไปติดต่อแล้วก็ให้ตรวจเฉพาะพระสงฆ์ท่านพออท่านก็รับปากแล้วนะต่อไปนี่ก็ถ้าหากว่าพวกเราเป็นพระสงฆ์ถ้าเห็นพี่น้องประชาชนเข้ามาทําบัตรหรือเข้ามาจะตรวจโรคจะตรวจโรคเนี่ย พอเข้ามาแล้วจะไปรัดคิวก็ไม่ใช่เรื่องจะไปตามคิวก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงคนใ้โซนก็เลยเก้กเก๊กังกัอยู่าแถบนั้นแหะแต่เพราะนั้นต่อไปนี้ก่อนนะ่ยให้ไปถามพวกกลุ่มเสื้อกากเนี่ยนะหลวงพ่อก็ บ, บอกนะให้กลุ่มถามพวกเสื้อ ก, กักเออแถวไหนที่ท่านดูแลตรวจสุขภาพพระสงฆ์ท่านตรวจอยู่แถวไหนตึกหลังไหนให้ถามอย่างนั้น ท่านจะให้พวกคณะแพทย์คณะพยาบาลก็จะอำนวยความสะดวกกับพวกเราท่านทั้งหลายถ้าหากว่าพวกเราเข้าไปแล้วก็ไม่รู้จะไปถามใครเก๊กกกลางๆอยู่แถบนั้นดูดูแล้วก็ไม่สบายใจที่เข้ามาติดต่อประสานอันนี้หลวงพ่อก็ได้ยินหลวงพ่อได้ยินพวกพระลูกหลานทั้งหลายถ้าหากว่าไปโรงพยาบาลแล้วไม่รู้จะไปติดต่อใคร หลวงพ่อแล้วก็สรุปแล้วก็คือพระพระป่าอยู่แล้วใช่ไหมล่ะท่านขออายอายที่จะเข้ามาประสานเข้ามาติดต่อเพราะ น, นั้นขอฝากไว้กับคณะสัทธาญาิโยมแพทย์พยาบาลหรือว่าทุกท่านที่อยู่ในโรงพยาบาลถ้าเห็นพระเข้ามาแล้วก็ให้ใหขอให้ถามไถ่ ท, ท่านมาอะไร ท่านจะมาตรวจสุขภาพใช่ไหมหรือว่าท่านมีอะไรขอให้ถามถามพระให้ด้วยพระท่านก็จะได้บอกให้ทราบจากนั้นท่านก็จะได้อำนวยความสะดวกให้กับท่านแล้วก็ส่วนหนึ่งที่นี่ถ้าคณะแพทย์รพยาบาลได้กล่าวคำปฏิ ญ, ญาณตนหลวงพ่อได้ยินแล้วก็ซึง้งซึ้งใจเพราะว่าเราจะเป็น จะทำงานตั้งใจทำงานสรุปแล้วก็คือข้าพปเจ้าจะคิดดีทำดีพูดดีแล้วก็ซื่อสัตย์สุดจริตต่อหน้าที่ฟังฟังดูแล้วก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่า เ, เราเป็นคนไทยก่อนที่เราจะได้เป็นแพทย์เป็นหมอหรือเป็นพยาบาลมาอยู่จุดนี้ เ, เรา ได้เรียนหนังสือในโรงเรียนแต่ก็เป็นโรงเรียนของภาษีจากพี่น้องประชาชนที่ตั้งที่สร้างโรงเรียนที่เป็นอาคารเรียนไม่ใช่ว่าเป็นเงินของคุณพ่อคุณแม่ของเราตระกูลของเราส่วนเดียวเป็นตระกูลคนทั่วประเทศที่เสียภาษีจากนั้นก็ได้สร้างอาคารเรียนสร้างโรงเรียนสร้าง มาหาวิทยาลัยหรือสร้างเครื่องมือแพทย์ซื้อเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์การแพทย์ที่เราได้รับการศึกษาการล้วนแล้วแต่เป็นเงินภาษีพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกกล่าวที่เอาเงินมาจ้างเอามามาสร้างขึ้นมาเพราะนั้นพวกเราที่เป็นแพทย์เป็นหมอหรืเป็นพยาบาลและเป็นคนทรัพยากรของประเทศชาติหรือชาติไทย พวกเราก็ควรจะใส่ใจในจุดนี้ด้วยว่าข้าเป็นคนส่วนหนึ่งที่ได้เรียนหนังสื อ, อ, อมีโอกาสกว่าเพื่อนออได้ทำงานแล้วก็ได้เป็นข้าราชการได้เป็นนายแพทย์หรือเป็นแพทย์แพทย์หญิงแพทย์ชายนายแพทย์แล้วก็ได้ทำงานในโรงพยาบาลแล้วก็ ก่อนที่จะได้ทำงานนี่แหละข้าพเจ้าเองก็ได้รับความช่วยเหลือคือครูบาอาจารย์สอนได้มาเรียนหนังสือในโรงเรียนแล้วกับครูบาอาจารย์ก็ที่มาสอนเราก็ไม่ใช่เงินของพ่อแม่ของเรามาว่าจ้างก็เป็นเงินภาษีพี่น้องประชาชนให้ว่าจ้างครูบาอาจารย์มาสอนเราแต่บัดนี้เราก็ได้จบ ออกมาแล้วได้เป็นแพทย์เป็นหมอแล้วเมื่อเราได้เป็นแพทย์เป็นหมอเราก็ควรจะมองพี่น้องประชาชนให้ความสะดวกสบายให้ความ เ, เมตตาและววให้ความไว้วางใจกับเขาเหล่านั้นด้วยนะเพราะว่าก่อนที่คนที่จะเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยก่อนก่อนที่จะเข้ามาหาแพทย์หาหมอเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะคิดขึ้นมาแลยก่มาแบบดุย ถ้าหากว่าเวลากรเขาจะมาเขาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจนพอแรงแล้วจึงเข้ามาในเมื่อเข้ามาแล้วก็ถ้าหมอหรือแพทย์หรือผู้เกี่ยวข้องไม่ได้ให้ความสนใจเขาก็คงจะเสียความรู้สึกอย่างมากเหมือนกันแต่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะจําเป็นจะต้องมาพบกับแพทย์กับหมอสิ่งเหล่านี้หละอยากจะให้พวกเรามีน้าใจมีเมตตา มีความเอื้อเฟือ้อเอื้ออารีเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของคนในชาติที่เราได้รับได้เป็นแพทย์เป็นหมอขนาดนี้ก็นี่แหละ เ, เพราะว่าเป็นเงินภาษีพี่น้องประชาชนเพราะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าก็เป็นทายาทของเราหรือว่าเป็นผู้มีอุ ป, ปการะคุณของเราอย่างหลวงพ่อเหมือนกันอย่างหลวงพ่อเป็นพระ หลวงพ่ออยู่อย่างพระก็จริงแต่ตอนเช้าหลวงพ่อไปบินท่าบาทชาวบ้านก็ใส่บาทให้หลวงพ่อฉันเป็นขนมนมเนยสูตแท้แต่ศรัทธาของพี่น้องประชาชนขณะหลวงพ่อฉันจังหันหลวงพ่อได้รับบินเทาบาทไปแล้วไปฉันหลวงพ่ อ, อยังระลึกถึงบุญคุณของศรัทธาญาติโยมพี่น้องประชาชนแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลบุญกุศลที่ฆ่าพระเจ้าได้บาเพ็ญ ด้วยกายวายใจใจขอบุญกุศลที่มีขอขอให้เป็นเครื่องเครือกูลหนุนญาติพี่น้องศรัทธาญยยาติโยมที่ได้ทําบุญข้าพเจ้าได้เลี้ยงชีพได้ประพฤติปฏิบัติพรมยันหาทางพ้นทุกขอบุญกุศลเหล่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญอันนี้หลวงพ่อเองก่อนจะหลับจะนอนหรือตื่นนอนหรือว่าจะเข้าทางเดินจงกลมหรือนั่งภาวนา หลวงพ่อเองก่อนลำลึกถึงพุญคุณของพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมลูกหลานที่ได้ทําบุญกับหลวงพ่อเพราะนั้นคณะแพทย์ก็ดีพยาบาลกุดีพนักงานทุกหมู่เหล่าก็ดีที่ได้เงินภาษีพี่น้องประชาชนในรับเงินเดือนก็คือเงินภาษีพี่น้องประชาชนอยากจะให้พวกเราสํานึกถึงบุญคุณของผู้มีอุปกา ร, ระคุณเพราะว่าพวกเรามาเป็นแพทย์เป็นหมอหรือเป็น ข้าราชการทำงานในโรงพยาบาลถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็เรานี่ได้เปรียบหรือว่ามีดีกลี่ยกว่าบ้านนอกเยอะชาวบ้านของเขาทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวน เ, เวลาหาเงินได้เท่าไหร่มาอย่างมากก็ได้บัตรทองหรือว่าบัตรธรรมดาอันนี้พวกเรายังมีสิทธิ์เบิกได้อีกลูกเข้าโรงเรียนเบิกได้อีกตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วย รักษาฟรีรักษาชั้นดีอีกต่างหากเบิกได้อีกต่างหากนี่แหละถ้าจะว่าไปแล้วพวกเรามีสิทธิ์มากกว่าพี่น้องประชาชนได้หลายเท่าเพราะนั้นเมื่อเราได้มาทำงานในจุดนี้หลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราตั้งใจทำงานแล้วก็ให้ภาคภูมิใจในหน้าที่มีเป็นเป็นหน้าที่หรือว่าหน้าที่ของเราเป็นผู้มีศักดิ์ศรีอ่า พี่น้องประชาชนเขาให้เกียรติโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์นายแพทย์หรือแพทย์หญิงที่เป็นผู้ที่รักษาคนเจ็บคนไข้คนป่วยญาติพี่น้องก็ดีคนป่วยก็ดีเห็นแพทย์เห็นหมอแล้วก็เหมือนกับเห็นเทวดามาโปรดถ้าว่ามาถึงแพทย์ถึงหมอแล้วเขาก็มั่นใจในระดับหนึ่งถ้าไม่เหลือถ้าไม่เหลือบากว่าแรงจริงๆ หมอพยาบาลก็คงจะช่วยเหลือเขาได้ถ้าเหลือบากว่าแรงอันนั้นก็สูตรวิสัยไม่ว่าแพทย์ไม่ว่าหมอไม่ว่าใครๆก็ต้องถึงจุดจบเหมือนกันแต่ถึงยังไงความพึ่งพาอาศัยแพทย์พยาบาลหมอเนี่ยชาวบ้านของเขาเนี่ไม่ว่าอยู่นักจารถานที่ใดพอเจ็บไข้ได้ปวดเขาต้องคิดถึงแพทย์ถึงหมอก่อนเพื่อนเพราะนั้น จากทั้นก็ใายรถขึ้นมาแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเองก็เคยได้พูดกับพี่น้องประชาชนที่นำคนป่วยเข้ามาโรงพยาบาลพอมาถึงโรงพยาบาลาบางแห่งหรือบางที่ก็หมอคนมันเยอะอมันเต็มหมดแล้วนะท้งหมอก็เห็นแล้วก็เฉยเฉยเพราะเหตุหลายเพราะเคยเห็นจนเคยชินชินชาต่อการเจ็บเจ็บป่วยของอของพี่น้องประชาชนแต่ว่า พ่อแม่พ <tu i ro> ี <conclusions> ่น้องประชาชนที่นําคนป่วยเข้ามานั่นอ่ะโอ้ใจไม่ดีเลยเอใจไม่ดีแต่ตุบตุบตอมตอตุบตุบตอมตอไม่รู้จะพูดหาใครจะไม่รู้จะวิ่งไปหาใครเพราะว่าพี่น้องเหล่าคนที่นํามานั่นอ่ะเจ็บไข้ได้ป่วยทําให้พ่อแม e, ่พี in, right <away> ่น้องที่นํามาไม่สบายใจแต่ว่าแพทย์พยาบาลมองมองดูแล้ว ไม่หนักหนาอะไรคนที่หนักหนากว่านี้มีต่างเยอะแยะสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองเมื่อเห็นเขามาเข้ามาในโรงพยาบาลหลวงพ่อเองอยากจะให้พยาบาลหรือพวกผู้เกี่ยวข้องอจะเป็นใครก็ตามไปถามเออเป็นยังไงถามถามไทยถามไทยเพียงแค่นั้นแหะหลงพ่อว่าเขาก็คงจะดีอกดีใจ เ, เขาก็จะได้อธิบายให้ฟังว่ า, เ ป, า, งงาเป็นอย่างง้นเป็นยังงี้เป็นอยังงี้เป็นยังงั้น ถ้าหากว่ามันหนักหนา อ, อยากจะให้เป็นรัดคิว เ, เป็นบางคนถ้ามีความจําเป็นนี่หนะลวงพ่ออยากจะให้คณะแพทย์และคณะพยาบาลแต่อันนี้หลวงพ่อเป็นพระป่านะอาจจะล้าเส้นไปสักหน่อยก็ได้แต่ในความคิดของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อมีเจตนาดีเกินร้อยนะ อ, อยากจะให้พวกเราคณะนะทํางานทั้งหลายมีน้ําใจมีเมตตาให้รู้จักการสถานที่บุคคล ในหลักธรรมคำสอนของนั่นการนี้เป็นยังไงสถานนี้เป็นยังไงบุคคลเจ็บป่วยขนาดไหนขนาดนี้ควรจะทำยังไงควรจะลัดคิวไหมหรือควรจะตามคิวอันนี้ก็ไม่มีใครที่จะรู้กว่าคณะแพทย์พยาบาลแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ทำอย่างนี้หลวงพ่อว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็เสียการทั้งทีมเสียการทั้งโรงพยาบาลเพราะว่าบางทีคนก็ เขาว่านักนักนักแต่พยาบาลก็เฉยผลที่สุดก็กระชักให้เห็นตายให้เห็นอย่างนี้แ่ผลทิสุดคำต่อคำปากต่อปากก็ททำให้พวกเราเสียหายได้ง่ายๆเพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะญาติโยมลูกหลานทุกๆคนในการทำการทำงานแต่การาสำหรับหลวงพ่อเอง เ, เกินร้อยนะที่จะช่วยอรองพยาบาลถ้าว่าลุงพ่อมีสถานะหรือว่า มีมีผู้สนับสนุนมากกว่านี้หลวงพ่อจะจะช่วยนะแต่เมื่อกี้นไม่นานมานี้หลวงพ่อก็ให้เครื่องมือแพทย์กับโรงพยาบาลศรีนคริน เ, เรื่องเครื่องอุลิมปัสผ่าตัดด้วยความถี่สูงห้ามเลือดจะไม่มีเลือดเขาเครื่องมือตัวนี้ในช่วงนี้เป็นเครื่องมือเล็กแต่ก็ว่าทันสมัยเขากงั้นนะเขาก็มาสาธิตให้หลวงพ่อดูลุงพ่อก็เห็นด้วยเออ เออน่าจะน่ะน่าจะหลวงพ่อก็เลยสั่งซื้อให้เขาเอามาใช้แล้วล่ะเมื่ออาทิตย์ทีแล้วเนี่ยตัวหนึ่งก็ราคาร้านเจ็ดแสนราคาก็ไม่แพงแต่มันแพงสำหรับหลวงพ่อแต่ว่าถ้าว่าเป็นเงินรัฐบาลแล้วก็ถูกล่ะแต่ว่าหลวงพ่อดูๆแล้วก็มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแต่หลวงพ่อก็ยังคิดอีกเหมือนกันนะหลวงพ่อยังคิดกับหมอผู้ออเอ๊ะ โรงพยาบาลศูนย์อุดรหรือศูนย์ขอนแก่นจะต้องการอีกหรือเปล่าเนาถ้ามีอีกลุงพ่อยังจะคิดให้เอาให้คนละเครื่องละเครื่องถ้ามันจะเกิดเป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลลุงพ่อคิดถึงขนาดนั้นคณะสัตยาธิโจมลูกหลานแต่ว่าเรื่องทางตึกหนีไฟนี่ก็อันนี้กับจวนจะเสร็จแล้วล่ะลุงพ่อก็พยายามมาดูเพื่อให้เกิดประโยชน์แต่ถึงยังไงจุดนี้ก็เหมือนกันนะขอฝากไว้กับ แต่เสียหน้าเสียดายแต่ว่าท่านผ อ, อ, อจ ะ, กะเกษียณไม่กี่วันข้างหน้าหลวงพ่ออยากจะต่ออายุให้ท่านสักหาปีนะทํางานอยู่นี่ไวะอให้ผ อ, อทํางานไปอีกนะเออพราะท่านมีมีเป็นหัวก้าวหน้านะแต่หลวงพ่อคิดว่าน่ะตึกตรงนี้น่ะจะทํำยังไงก็ขอให้ฝากไว้กับร อ, อ, องรองผ อ, อผู้บริหารเนี่ยนะให้ช่วยชวยดูว่า จะวางแผนยังไงพอสร้างเสร็จนะพอสร้างตึกกลังนี้เสร็จแล้วหลวงพ่อก็จะมอบให้โรงพยาบาลส่วนการจะดูแ ล, แลรักษาอย่างไร้คนที่มาพักมากถึงขนาดนี้นะ่จะมีอะไรไม่มีรอป พ, อพอมีพนักงานทําความสะอาดไหย ม, มีข้านา้ำข้าวไฟไหมอันนี้หลวงพอ่อหลวงพ่อมอบให้เลยนะมอบให้ทางโรงพยาบาลเลยเบริหารจัดการยังไง ควรจะเก็บคนละ5คนละ10บาท เ, าเพื่ อ, เ, อเป็นค่าปัดกวาดทําความสะอาดห้องอหรือเป็นค่าน้ําค่าไฟอันนี้กระสตรแท้แต่ทางโรงพยาบาลนะหลวงพ่อสร้างเสร็จแล้วกันจะมอบให้แล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อก็พยายามจะให้สมบูรณ์มีทั้งพัดลมมีทั้งหม้ อ, อ ก, กองน้ํามีทั้งห่องนงห้องน้งําอะไร จะพยายามทำให้แข็งแรงไม่ให้มีปัญหาในการซ่อมแซ ม, มง่ายๆหลวงพ่อจะเน้นหนักให้มั่นคงแข็งแรงแต่ไม่ให้รู่หลาไม่ให้รูหลาโอ้อ่าแต่ว่าให้ใช้ง่ายนี้คือความในความคิดของหลวงพ่อนะแต่คิดว่าอีกไม่นานคงจะเสร็จแล้ละพอเสร็จแล้วก็หลวงพ่อก็คงจะมอบให้กับทางโรงพยาบาลดาเนินการ ต่อไปนะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งหลวงพ่อเองอยู่ที่วัดเอในเมื่อไปมอบเสื้อให้กับคณะลูกหลานเนี่ยหลวงพ่อจะมีอะไรไปฝากหลวงพ่อก็คิดอีกเหมือนกันคิดไปคิดมาก็ไปไปถ้าจะเอาเอมพสามาฝากกับลูกหลานก็คงจะได้ทุกคนแล้วก็เลยคว้าไปคว้ามา ไปเห็นเหรียญลงตาแต่ไม่ใช่เหรียญลงตานะแต่เหรียญนี้เป็นเหรียญพระอันนี้เหรียญนี้นะเป็นเหรียญที่หลวงตายังยังทรงธาตุขันอยู่นะยังหลวงตายังทรงธาตุขันอยู่เหรียญนี่แต่เท่าแก่สมหมายไปกราบลาธนาท่านท่านจะจะทำเหรียญนี้เพื่อบรรจุเจดีย์ของเท่าแก่สมหมายนะ แล้วก็จะทำเหรียญเป็นสองเหรียญเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญหลวงตาเหรียญเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญพระพุทธโลกนะะแต่ว่าข้างหลังเนี่ยเป็นเจดีย์ของเท่าแก่สมหมายแต่หลวงตาเนี่ยเมตตาเนะี่ยเหรียญนี่นะหลวงตาแผ่เมตตาโอ้ยนั่งนานทีเดียวนะท่านแผ่เมตตาเพราะท่านยังสงาธาตขันอยู่เพราะฉนั้นหลวงพ่อวันนี้ไม่ได้เอาเหรียญหลวงตามานะแต่ว่าหลวงพ่อได้แต่เหรียญนี้มาม า, ม า, ม า, มาแจกเหรียญวันนี้นะ แจกเสื <emás>. ้อด้วยแจกเหรียญด้วยนะวันนี้นะเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลนะลูกหลานนะเอาตอนนี้ไปเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้พรกก่อนนะเพื่อให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหลวงพ่อจะแจกเหรียญเลยวันี้เหรียญก้าหารนะเหรียญนี้นะเหรียญก้าหารด้วยเหรียญสุดเจริตด้วยนะเหรียญที่เป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งนะเหรียญของหลวงตาโคตหลวงตาเท่าแก่สมนไมบอกว่าท่านท่านไม่เคยที่จะไป นั่งแผ่เมตตาให้ขนาดนี้อันนี้เป็นรังท่านนั่งเพ่งภาวนาโอ้ยนานทีเดียวเลยท่านอาจารย์ย เ, เหมือนกันเหรียญรุ่นนี้เหมือนกันนี่แหละพอเสร็จแล้วเขาจะขึ้นไปบนไว้บนเ จ, ด, เ จ, ด, เจดีย์ที่แรกเท่าแก่สมหมายก็บอกว่าพอจะทำเหรียญขึ้นไปวนไว้บนยอดเจดีย์หลวงตาก็บอกว่าเออเอาไว้จะบอดจอดเ จ, ด, เจดีย์ก็คงไม่อันนั้นต์มั่งก็มีอะไรก็แจกแจกกันเขาคงจะมีผู้ต้องการอยู่ ทำแจกแจกไปก็ได้นะเราอนุญาตลักษณะอย่างนี้แหละ เ, เท่าแก่สมหมายก็เลยทําพอทําเสร็จแล้วก็มาถวายหลวงพ่อทุยนะหลวงพ่อทุยหลว ง, งพ่อได้มาจากหลวงปู่ทวย น, นันเอนะไม่ใช่ของหลวงพ่อทําเองนะไม่ใช่หลวงพ่อทําเองแต่ดูดูโอ้ทำทำได้สวยนะ อ, อ่านอ่านดูก็ได้มีตัวหนังสือในภาษาไทยอยู่ข้างหลังแต่มีรูปเจดีย์ของหลวงตาแล้วก็มีรูปพระพุทธรูปนะ อันนี้ก็คือเขาทำสองเหรียญ เ, เหรียญหนึ่งจะเป็นรูปหลวงตาและก็ข้างหลังเป็น เ, เป็นรูปเยดีแต่อันนี้อันนี้เป็นรูปพระพุทธรูปนะแต่ว่าข้างหลังเนี่ เ, เป็นรูปเยดีของหลวงตานะเพราะฉะนั้นเมื่อลุงพ่อให้ศินให้พรจบแล้วนะลุงพ่อจะมอบเหรียญเป็นที่ระลึกอีกเพื่อไปกราบไปไหว้นะลูกหลานเพื่อเป็นสิริมงคลหนะ้า ท้งหมอทั้งพยาบาลนะ่ะลูกหลานนะ่ะเป็นคนดีนะคิดดีทดําดีพูดดีอันไหนดีนะีเอออย่าไปทะเลาะบอกแว่งกันเออย่าไปทะเลาะกันทะเลาะกันมันไม่ดีดอกเออพวกเราจะอยู่นานอยู่นานกันเท่าไหร่ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันเมื่ออายุ60ปีนะเออเพราะฉะนั้นขณะที่ทํางานเนี่ยให้มีน้ําใจต่อกันมีความเอือ้อเฟื้อเอือ้ออารีต่อกันต้องทํางานล้ํากันเหลื่อมกัน ไม่ใช่ว่ามีพักมีพวกะทะเลาะวิวาดกันทันนั้นไม่ดีนะหลวงพ่อไม่ชอบเลยการที่หลวงพ่อเนี่ยเป็นพระเนี่ยหลวงพ่อเห็นใครใครทะเลาะวิวาดกันหลวงพ่อไม่ชอบเลยถ้างว่ามีน้ำใจต่อกันมีเมตตาต่อกันอันไหนจะเกิดประโยชน์ต่ อ, อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เอาทำสิ่งนั้น อ, อย่างหลวงพ่อเนี่ย อ, อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทัานตรัสไว้ว่า ขยะวยธรรมมาสร้างข่าราอั ป, ปมาเดนะซัมปาเดท่าติขยะวยธรรมมาสังขาราคือว่าท่านว่าร่างกายของเราเนี่ไม่ถึงร้อยปีพันปีนะ อ, อ, อย่างมากก็่านี0เจ็ดส8บปีหรือร0 0ปีก็หมดสภาพแล้วเพราะนั้นร่างกายสังขารของเรา เ, เป็นของไม่เที่ยงและกจงท่านทัน้งหลายจงอย่างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท อ, อันนี้คือก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปิดพระโอษฐ์ก่อนที่วันที่จะปรินิพานในเช้าวันนั้นน่ะพระพุทธองค์ตัดอย่างนี้ตัดสามคำนะว่าขยวยธรรมมาสร้างคาราอัปมาเดนะซัมปาเด่าตีเคือเป็นพระบาลีแต่แปลเป็นคําภาษาไทยออกมาว่าร่างกายสังขารมันไม่ยืนยาวเนอไม่นาน เพราะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดประโยชน์ตนก็คือในการทํามาหาเลี้ยงชีพ เ, เมื่อทําการทํางานได้แล้วก็ให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้อย่าไปใช้เกินตัวเราเป็นเดี๋ยวนี้เราทํางานได้เงินเดือนเดือนละเท่าไหร่ให้แบ่งเก็บเอาไว้เพื่ออนาคต เมื่อคราวจําเป็นแล้วจึงต้องได้ใช้ให้รู้จักเก็บจมเก็บไม่รู้จักใช้เฉยก็ไม่ได้ต้องรู้จักเก็บให้รู้จักหาและให้รู้จักเก็บและการให้รู้จักใช้ใช้ก็จะไปใช้เกินตัวถ้าใช้เกินตัวก็ทําให้ลําบากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นขอให้ขอฝากไว้กับลูกหลานทุกคนนะให้ลูกหลานทุกคนสรุปแล้วก็คือคิดดีทดําดีพูดดีถ้าทําได้แล้วก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ชีวิตทางชีวิตของพวกเราเนี่ยมีแต่ความสุขแหละทำสุขกายสบายใจถ้าทําอะไรถ้าคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดพูดไม่ดีนะเนี่ยจะเดือดร้อนตนเองเ อ, อย่างที่พระธรรมคําสอนบทหนึ่งที่ว่าอักตังลุกตังเสยโยปัชชาตปฏิทุกตังความชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทําแล้วเมื่อทําลงไปแล้ว จะทำให้ตนจะทำตนให้เดือดร้อนเมื่อภายหลังคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าในเมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วความชั่วนั้นจะให้ผลตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังฟังๆดูนนะลูกหลานนะจำจำไว้นะคำนี้นะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้นะนะต่อเนื่อไปอหลวงพ่อจะให้พร เป็นสิริเป็นมงคลฎนาฏนีหน้า